อย่าล้มตั้งแล้วตั้งเลยแล้วอัดศรัทธาเข้าไปอัดวิริยะสติสมาธิปัญญาลงมาใช่ไหมข้อมูลเราให้ได้เนี่ยทำไมจะให้ไม่ได้ถ้าไม่ให้อย่างนี้นะถามว่าความพ้นทุกมีไหมนั้นปริมาณของการพ้นทุกก็ไม่มีไม่ใช่ว่าคนที่เขาพ้นทุกนะเนี่ยคิดน้อยๆ น, นะปริมาณของความคิดหรือการวิจัยนะ่ไม่ได้คิดน้อยๆหรอก ลองไปถามคนที่เขาจะตั้งฐานน้าได้หรือถามมหาโจรที่ยิ่งใหญ่คนจะคิดเป็นโจรเนี่ยเไม่คิดวันเดียวหรอกหรือคนที่จะคิดเป็นพระเจ้าไม่ได้คิดวันเดียวใช่ไหมคิดไม่รู้กี่ล้านอัตภาพกี่ล้านล้านกลับและลองพิจารณาดูนะพระบรมศาสดาเนี่ยเวลาเราศึกษาค้นคว้าในคำพีต่างๆไม่ว่าจะโสทักกีก็ดีสัมระวิบากในคำพีหลังๆมาเนี่ยนะ ถ้าต้นตอเลยก็คือพุทธวงศ์บางจริยาปิดกเป็นต้นบ้างแล้วก็ในพระตรัยปีดก8ปดหมี่พันพระธรรมขันธ์นั้นล้วนเป็นเป็นอัฏฐะที่บ่งบอกถึงการการเดินทางพุทธคุณและกระแสพระธรรมเทศนาทั้งหลายเราสามารถจอดถึงพุทธคุณได้ทั้งหมดเนี่ยเราลองมาพิจารณาดูว่าในกรณีที่พระบรมศาสดาที่นั่นเดินทางมาอย่างยาวนานแต่ประวัติที่ให้เราได้ศึกษามีนิดเดียวใหม้มีศึกษามีนิดเดียว เพราะว่าแต่โลกแต่ละใบเนี่ยพระเจ้ามาเกิดกี่ล้านครั้งบางทีก็ระบุไว้ชาติเดียวบางทีไม่มีเลยโลกบางใบเนี่ยไม่มีเลยอะบางมหากับเนี่ยไม่มีเลยไม่มีไม่มีการจารึกการเดินทางเส้นทางของประติศาสตร์คาตอนมาเป็นอสงไขยอสงไขยเราลองนึกดูที่ว่าหลังนั้นน่ท่านไปทำอะไรในช่วงอสงไขยที่ไม่มีชิปากฏเนี่ย ท่านทำอะไรท่านไม่อยู่เฉยๆรอว่าจะมีชื่อปรากฏต้องจะมาทำบุญนีไม่ใช่ท่านทำของท่านทุกอัตภาพนั่นแหละเราจะได้เห็นเจาะเห็นคุณของท่านใช่ไหมถ้างั้นเราจะคิดได้ยังไงอย่างสมมติอย่างเงี้ยเหมือนเราเดินทางชีวิตของในปัจจุบันนภ์เนี่ยที่เราเอามาเล่าให้ลูกฟังเนี่ยนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่แต่และ ว, วันนะ่ะไม่ใช่เราไม่คิดนะ ในกรณีที่เราจะต้องเรียนในการที่จะทํามาหากินในการที่ต้องประกอบอาชีพการงานเราคิดทุกวันเราทําทุกวันเลยใช่ไหมแต่เรามาสรุปเล่าจริงๆเราเล่าห้านาทีมันหมดที่ไหนละ่ะประวัติแห่งความเพียรที่เราประกอบอาชีพการงานในการที่จะหาทรัพย์ต่างๆมาเลี้ยงดูลูกหลานเป็นต้นเหล่าเนี้นั่นมันยาวนานฉะนั้นประวัติของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายประวัติของพระบรมศาสดาทั้งหลายนั้นนะ่ะท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยเวลาท่านแต่ง หรือไม่ใช่เมื่อท่านรจนาหรืออธิบายเบ็เสร็จประฐานตาเจ้าทั้งหลายท่านก็อธิบายเฉพาะเรื่องที่พระเจ้าตรัสแล้วก็ขยายบ้างเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่เหลือนอกนั้นน่ะผู้มีปัญญาเป็นบัณฑิตทั้งหลายท่านทั้งหลายต้องเดินศรัทธาตัวเองได้ต้องคิดให้ออกว่านี้แหละทานบรารมีศีลบรารมีเนคข ม, มารปัญญาวิทยาขันติสัจญาทิฏฐานะ แล้วก็เมตตาอเวขาอุปปารมีประ ม, ระมัทธาบารมีบารมีสามสิบทัศนั้นท่านทำมาอย่างตลอดและอย่างยาวนานเราลองคิดถึงใจของคนที่เขามีศรัทธาที่วันไหนที่เขาไม่เคยคิดถึงบุญไม่มีเลยวันไหนที่เขาไม่เคยคิดที่จะปารภคุณของพระบรมศาสดานั้นไม่มีเลยเขาคิดตลอดตรึกตลอด พระบางองค์เนี่ยหกสิ ป, ป, ปีเจ็ดสิบปีห้าสิปีนีความเพียรพยายามของท่านในการที่จะไข่ครวนพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาเนี่ยไม่ใช่ท่านคิดนิดเดียวแล้วก็ไปนอนพักผ่อนไม่ใช่อย่างนั้นท่านปริมาณของศรัทธาที่ท่านตั้งไว้เนี่ยเพื่อต้องการที่จะข้ามจากโอคาเนึ่ยท่านตั้งไว้อย่างยาวนานฉะนั้นที่บอกว่า ศัทธามีการไม่ขุนมัวที่บอกว่าข้าพระนาเกษต ร, รก็ทูลบอกข้าแต่มหาราชอุปมาเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิเสด็จราชาดำเนินไปทางไกลเนี่ยด้วยจตุรงเกษนาสเสด็จข้ามทองน้ำใหญ่น้ำน้อยไปเนี่ยแล้วก็น้ำก็กระเพื่อมไปมาพลราชพลมาพลรถแล้วก็พลเดินเท้าก็นที่ลุยน้ำไปนั้นน้ำที่ใสก็กลายเป็นน้าขุนกลายเป็นน้ำมีโคลนมีเปลือกตมเต็มไปหมด พระเจ้าจากาพพักรพรรดิผู้เสด็จข้ามไปก่อนเมื่อต้องการจะดื่มน้ำตรัสสั่งให้พวกมนุษย์ไปตักน้ำว่าขอพวกเจ้าจงไปตักน้ำดื่มมาให้ทีเราจากดื่มน้ำอันหนึ่งแก้วมณีของพระราชาพึงทำน้ำที่ขุนนั้นให้ใสได้ฉันใดอามาตย์ก็เอาแก้วมณีของพระราชาไปแกว่งน้ำก็ใสดัทงที่ได้กล่าวว่าข้าแต่สมมติเทพน้าใสแล้วก็น้ำมัถวา ฉันลักษณะศรัทธาก็เป็นไปอย่างนั้นแหละนันจิตของมนุษย์เป็นชันใดน้ำเป็นชันใดจิตของมนุษย์ก็ชันนั้นพโยคาวาจรล่ะเหมือนอะไรเหมือนมนุษย์ถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยถ้าจิตของเราใช่หมเหมือนพวกเราที่เป็นมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยจิตที่ขุนมัวคือจิตไม่มีศรัทธาจิตที่ใส ด้วยการปารภของคุณของพระบรมศาสดาก็ปารภได้ดังชัดเจนแล้วก็ว่องไวเออเ อ, อจิตที่มีศรัทธาเนี่ยคิดถึงคุณพระเจ้าได้ไวออถ้าเรางม่วงนอนคิดถึงคุณพระเจ้าได้ไหมได้ไหมอืดไหมคิดก็อึดเลยใช่ไหมคิดก็ไม่ค่อยเดินเลยใช่ไหระหว่างฟังกับระหว่างพูดอันไห น, อ, น, ไหนอันไหนตั้งศรัทธาได้ดีกว่ากันระหว่างฟังกับพูดไหนเหนื่อยกว่ากัน เอาไรเหนื่อยกวกันเอายอมสักคนเราขึ้นมาพูดแตนมาจะลงไปนั่งฟังม า, าจะตั้งใจฟังอย่างอย่างไม่ให้ไม่ภาคจิตไปจากที่อื่นเพราะมเพราะว่ า, า, วาฟังนี่ฟังนี้ได้เปรียบใช่ไหมคือพูดเนี่ยจเจริญกุศลได้ไม่ได้เพราะอรรมเพราะมาคิดอยู่ตลอดว่าวคือคือการแสดงธรรมเนี่ยคือการประพฤติธรรม เพราะล่องลอยของพรายแะหันที่ท่านแสดงธรรมแล้วได้บรรลุมาเยอะจากปุถุชนเนี่ยแสดงธรรมไปแสดงธรรมไปบรรลุและคนที่ฟังธรรมแล้วก็บรรลุนะั้นนับประมาณไม่ได้เหมือนกันเอาสิฉะนั้นวปราโมดปีใช่หรู้แจ้งอัฏฐารู้แจ้งธรรมะปราโมดปีติปรสสติความสุขสมาธิก็เกิดนี้ก็เป็นวิมุตตายตนะเอาสิเป็นช่องทางการบรรลุ นั้นแสดงธรรมอนุมาก็ต้องไข่ครวญเป็นใจตามลำดับให้อัตถาปรากฏในใจให้ธรรมะปรากฏในใจแล้วก็ทําปราโมทปีติปัสเสถีเกิดเพื่อจะเป็นปจัจจัยในการแทงตลอดอนุนอนมาแสดงธรรมอนุมาก็มีความสุขในการที่ได้แสดงเพื่อจะทํากุศลให้เดินไปไหเหมือนฟังเหมือนกันอนุมาจะต้องตั้งปริมาณว่าหนึ่งช่องทางการบรรลุเนี่ยฟังบรรลุก็ได้สองแสดงธรรมบรรลุก็ได้สาสาธยาธรรมบรรลุก็ได้สี่ตรึกพระธรรมบรรลุก็ได้ห้า เอากรรมฐาน38อย่างใดอย่างหนึ่งไปบริหารเมื่อบริหารแล้วทาจิตให้เป็นสมาธิปราศจากนิวรณ์แล้วก็แทงตลอดขันธ า, ายาตนาสาจาัจไอินสีปฏิจจารแล้วก็เป็นปัจจัยการบรรลุได้เอาสิช่องทางบรรลุมีห้าแต่เคยขยายไว้บ้างแล้วเล็กน้อยนียน่นะช่วงนี้ไม่ไม่ต้องการขยายรายละเอียดตรงนั้นมากแต่ฝากให้ให้คิดอย่าไปปิดช่องทางการบรรลุ ก็ไปดูว่าเขาฟังยังไงบรรลุเขาแสดงธรรมยังไงบรรลุเขาสาธยายยังไงบรรลุเขาตรึกว่าธรรมยังไงบรรลุแล้วเขาปฏิบัติธรรมยังไงบรรลุเราจะได้ชัดเจนแล้วก็แยกตั้งหลักได้ถูกจะได้ตั้งหลักให้ถูกใช่ไหมแต่ก่อนอนอนุมาหก็แปลกยมที่นั่งเนี่ยเค ย, เคยฟังธรรมมาตลอดคืนมัคือฟังตลอดคืนอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนโบราณหรือแปลกมากเขาฟังกันได้ตลอดคืน แสดงว่าเขาตั้งว่าจะต้องบรรลุเพราะการฟังธรรมจะต้องบรรลุเพราะการฟังธรรมเขตั้งแบบนี้ไงเราไม่ได้คิดอย่างนั้นใช่ไหมเราคิดยังไงจะฟังธรรมหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวจะกินข้าวจะกินข้าวใช่ไหมใช่ไหมใช่เพราะเราคิดอย่างนี้หรือเปล่าพอคิดอย่างนี้มันก็เลยไปอยู่ที่อาหารนั่นดังนั้นเขาไม่ได้คิดเรื่องกรรมะคุณแต่เขาคิดในเรื่องของว่าจะต้องบรรลุเพราะการฟัง เขาตั้งอัธยาใสไว้โดยเฉพาะบางสู่ที่ท่านท่านประทับใจนะฮู้ท่านจะตั้งใหญ่ฟังมัตรงนเนี้ยเนี่ยฉะนั้นลักษณะของศรัทธานั้นก็จะทําให้จิตของมนุษย์นั้นใสก็เปรียบเสมือนกับจิตนั้นก็เหมือนกับน้ำนั่นแหละน้ำเหมือนจิตนั่นแหละพระโยคาวจรเหมือนมือที่สาลายเปลือกตมเป็นต้นนั้นก็เหมือนกับกิเลสคือราคาโทสามโมหาเป็นต้นแก้วบันีที่บรรดา น, น้ําให้น้ําให้ใสนั้นก็เหมือนกับศรัทธานั่นแหละความเชื่อ พอเขาวางแก้วมณีก็ลงในน้ําสลายและจอกแหนเป็นต้นเปลือกตมเป็นต้นก็นอนลงไปข้างล่างน้ําก็ใส่ไม่ขุนมืศรัทธาความเชื่อเกิดขึ้นก็ข่มนิวรธรรมคือราคะคือกรารมาชันท่พยาบาททีนมิทาอุทะจกักุกุจจะวิจิกิจฉาให้สงบราบคาบได้ฉะนั้นในขณะนั้นจิตของพโยค า, าวจรและจิตของบุคคลที่ฟังธรรมนั้นก็ไม่ขุนมัวฉะนั้นเหมือนกันฉะนั้นข้าแต่มหาราศร า, านั้น มีการทําที่บอกสัมปภาษาธนาสัท ธ, ธาคือความผ่องใสเป็นลักษณะดังที่ได้ยกอุปมามาในลักษณะอย่างนี้ทีนี้พระราชาก็ถามบอกว่าปักขันธนสัทธานั้นเป็นอย่างไรพระนาเกษศก็บอกว่าอุปมาเหมือนกับพระโยคาวาจรขันเห็นจิตของภิกษุเหล่าอื่นพ้นจากกิเลสอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ย เราเห็นจิตของพระโสดาบันพระโสดาบันจิตท่านพ้นจากราคะโทสาไหร่มท่านพ้นจากกิเลสจิตของพระสกาทาคาก็พ้นจากกิเลสจิตของพระ อ, อนาคาก็พ้นจากกิเลสจิตของพระอราหันก็พ้นจากกิเลสรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้จากการฟังพระธรรมของพุทอาจาเราไม่รู้ได้ยังไงเราปริมาณของการคิดที่ไหมที่ท่านเดินสมาธิฏิสมาธิฏิสมมาวายมะสัมมาสติไปแวดล้อมสมาธิฏิ แล้วท่านสามารถวิจัยทั้งรูปทั้งทั้งอั ช, ชตะขันขันภายในอั ช, ชติกาขันขันภายในแล้วก็ผิหล่ะขันขันภายนอกของสัตว์ทั้งหลายท่านสามารถวิจัยเป็นสมาธิทีได้หมดเมื่อท่านวิจัยเป็นสมาธิทีได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมประการต่อมาก็คือว่าขันทุกขันที่เกี่ยวข้องหรือที่ท่านคิดถึง ท่านวิจัยให้เกิดสมาธิที่ได้หมดเริ่มตั้งแต่กรรมสกตาสมาธิธไอเราเคยเคยทำได้อย่างรอบครอบขนาดนั้นไหมเนี่ยปริมาณของการวิจัยของเราเนี่ยมันน้อยเราลองไปทำดิออไม่ต้องเราต้องเอาไปทำไม่ใช่ลองนะเราต้องเอาไปทำแต่ว่าวันหนึ่งเราคิดถึงคนกี่คนจำไว้ก่อนเอาถามเราท่านทั้งหลายวันหนึ่งเราคิดถึงบุคคลอื่นถึงสิบคนั้ม 20ถึงไหมกว่าด้วยเลยเอาถ้าคิดถึงสักห้าสิบคนก็เอาห้าสิบคนล้วมาวิจัยสมมุติมันลืมใช่ไหมเราก็มานั่งเอาในกอมาวิจัยกันวิจัยกรรมรรตาให้เกิดกรรมบรรคตาสมาธิฐี่ให้ได้แล้วก็เพื่อจะเข้าถึงวิปัสสนาสมาธิคือให้พิจารณาเห็นแล้วก็่าไม่ลุ่มหลงในปรมาและบัญญัติของท่านผู้นั้นแล้วก็วิจัยคนอื่นไปเรื่อยๆนะฮะ บางทีไม่ต้องอะไรขนาดคนในบ้านเรายังไม่เคยวิจัยเลยจะไหมจ๊ะพอเขาเข้าไปในบ้านนะลืมหมดเลยถามยอมผู้ชายเคยวิจัยภรรยาบ้างไหคิดถึงภรรยาปุ๊บแล้วก็เคยเอามานั่งวิจัยไหมเอาวิจัยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยือ่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจไตยังไหมเวลาเธอหลับก็ลุกขึ้นมามองบ้งดงิยังไหมมองผมสมัยก่อนแล้วก็นึกว่า ง, งาม เดี๋ยวนี้ยังก็ะปานอย่างก็เปลือกปอแล้วก็ว่าไปนี้ว่าจะสมัยก่อนจะหมูกโอ้โหดูงามเหลือเกินแต่นี้คดอย่างก็ฝักแครเลยเนี่ยนะครับ <c ười> แต่ก่อนเนี่ยฟันก็ดูงามมากตอนนี้โอ้โหทั้งดำด้วยอะไรด้วยอย่างก็อะไรดีไปไปเอาไปติดติดไว้กระดินเหนียวย่นี้พิจารณางนี้ได้แต่ก่อนแขนเนี่ยดูเรียวงามมากอย่างนี้ โอ้หเดีปัจจุบันนี้โหเส้นเอ็นขึ้นสะพั่งไปหมดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยนะพิจารณาอย่างนี้ได้ไหมเขาให้พิจารณาอย่างนี้เราก็จะเห็นความเป็นจริงของรูปเวทนาสัญญาต่งางๆการพิจารณาอย่างนี้จะได้ไม่ลุ่มหลงใช่ไหมในบัญญตัติแล้วก็จะได้เข้าถึงปรมัตถธรรมนี่จะได้ไม่ลุ่มหลงตรงนี้นี่แหละเขาเรียกว่าสัมมาทิฏฐิเดินอย่างนี้ก็คือเริ่มวิจัยทุกคนที่เกี่ยวข้อง ก็วิจัยลักษณะเงี้ยทีนี้ดําริีอ่ะใช่ไหมกรมดําริลีไดยมากเราจะดํารบลผิดเราก็ใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาวายมะสัมมาสตินี่แหละไปแวดล้อมสัมมาสังกปะเมื่อแวดล้อมสัมมาสังกปะเวลาเราดําเบลีถึงบุคคลใดมันจะได้ดําริลีออกจากการมดําริลีจากการากกามไม่พยายามดําริลีในการไม่เบียดเบียนใช่ไหมทีนี้ถามท่านทั้งหลายถ้าเราดรํารบลผิดเนี่ยาวาจามันจะผิดนั้นเราก็สัมมาทิฏฐินี่แหละคือความเห็นชอบนี่แหละปเป็นปัจจัยการกล่าวเหมือนอาตมาจะกล่าวพระธรรม การกล่าวพระธรรมเนี่ยอันตรายถ้าตั้งจิตเป็นมิจฉาทิถีกล่าวอันตรายมากทั้งๆ ท, ท, ที่กล่าวถูกพระธรรมนี่แหละแต่ถ้าอาตมากล่าวพระธรรมเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นตำหนิผู้อื่นเนี่ยเพื่อต้องการจะข่มคนอื่นต้องการชื่อเสียงต้องการเกียรติยศต้องการหน้าตานี่นะต้องการให้คนรู้จักนี่นะแต่ามาตั้งจิตอย่างนั้นเมื่อไรปุ๊บเนี่ยบาปอกุศลธรรมอลามกเกิดในใจอาตมาดันดี และคำพูดที่กล่าวไปเป็นมิจฉาวาจาความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิดํารีเป็นมิจฉาสังกปะาความเพียรที่จะกล่าวเป็นมิจฉาวายมะสติในการระลึกทำในการกล่าวเป็นมิจฉาสติสมาธิที่ตั้งมั่นในการกล่าวเป็นมิจฉาสมาธิมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกปรามิจฉาวาจามิจฉากัมมันตาอาชีพของอาตมาเป็นมิจฉาอาชีวะมิจฉาวายมะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิ มิจฉาทิฏฐิกรรมทั้งหลายก็ไหลอยู่ในกระแสใจก็อาตมาอาตมาก็มานั่งทําบาปอยู่เนี้ยแต่ก็เป็นไปกับพระธรรมเลยเห็นไหมคําพูดก็เมืถูกต้องอัตถะพญานี้ก็ตามพระไตรปิฎกเนี่ยดูสิยมได้บุญอาตมาก็มานั่งทําบาปอยู่คนเดียวเสียเลยฉะนั้นต้องบอกว่าถ้าวางจิตไม่เป็นก็เสียอาตมาจะต้องตั้งคาถาสัมมาวาจารเจตนาสัมมาวาจารให้ชัดในการที่จะกล่าว เราท่านทั้งหลายก็จะต้องตั้งสมาธิทิฏนะใช่มถามว่าท่านในขณะที่เกิดความง่วง้าตอนนั้นเป็นสมาธิทิหรือเป็นวิญญาณทิฏฐิเห็นไหมความง่วงเนี่ยมันเกิดร่วมกับโลภะก็เดืใช่ไมถึงแม้ความง่วงไปเกิดร่วมกับโทสะหรือความง่วงไปเกิดในยานวิปยุทธ์ก็มีสักยะทิฐินั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัย พอมิจฉาทิถิมันจะบอกอยังไงเลยมันจะกะซิบบอกพูดอะไรก็ไม่รู้หน้าง่วงเลยเกินหลับก่อนดีกว่ามันจะบอกเนี้ยหลับไปก่อนเนี้ยช่วงนี้หลับไปก่อนบางทีก็บอกว่โอ๊ยช่วงนี้เราฟังมาหลายรอบแล้วเดี๋ยวคิดถึงบ้านก่อนคิดถึงนั่นก่อนไอ้มิจฉาทิถิมันก็กระตุ้นบอกโทสะบ้างบอกอุทธจัะบ้างบอกวิจิกริชาบ้างไปเรื่อยเลยเนี่ยเมื่อวานนี้พูดอย่างนี้ทีแล้วมาวันนี้ก็พูดอย่างนี้อีกใช่ไหมใช่ มิจฉาทิฏฐิมันก็จะไปกระซิบโทสะมิจฉาทิฏฐิมันก็กระซิบวิจิกิจฉามิจฉาทิฏฐินก็ไปกระซิบเกี่ยวในเรื่องของมานะต่างๆเลยนี้เป็นต้นมันก็ไปมันอย่างนี้ท่านถึงบอกว่าคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยทําถูกยากถ้าเป็นมนุิการไม่ใคร่ครวนเลยให้ดีทึงบอกว่ารูปแบบก็คือรูปแบบนะเราสร้างรูปแบบเข้ามาเนี่ยให้ทิฏฐิมันวิ่งเล่นในบางที เช่นเราไปล้อมคอกว่าวิธีไปวิธีขัดกราวเราแล้วต้องทําอย่างนี้นี่นะก็ไปล้อมของเราไว้บทเบเสร็จมิจฉาทิฏฐิเราไม่รู้ใช่ไหมอะไรเป็นสมาธิที่อะไรเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็เลยไปให้มิจฉาทิฏฐิได้ช่องเดินเลยเหมือนสมัยก่อนที่อาจรมาเคยสอนให้คนกําหนดกรรมฐานสอนไปสอนมาเขาบอกอย่างนี้เท่านั้นถูกที่สุดในโลกอย่างอื่นผิดหมดโอ้อาจมานี่ตกใจเลยรู้เปล่าตกใจเลยเนี่ยฉะนั้นในกรณีที่บอกว่าเทอมมิจฉาทิฏฐิมันเดินเนี่ยเราต้องเข้าใจ คนที่เดินมรรคแไม่ได้ในชีวิตจริงเนี่ยนะที่เป็นโลกเกียรมรรคเนี่ยอันตรายความคิดแนีนหลายมากฉะนตรงนี้เราก็ต้องพยายามตั้งหลักให้ถูกเวลาเราจะฟังพระธรรมคำสอนหรือจะอ่านพระไตรปิฎกหรือจะศึกษาคําสอนใดๆก็แล้วแต่ใช่ไหมพอเราตั้งหลักให้ถูกเนี่ยมันจะเริ่มจากการขัดเก่าตัวเองไปมันไม่ใช่ไปเพื่อจะขัดเกาเขาขดเ่าคนอื่นแล้วทีนี้เมื่ออาจะมาเวลามาสแสดงพระธรรมเทศนาทั้งหลายเนี่ยจะมาก็น้อมขัดเก่าตัวเองเนี่ยเป็นเบื้องต้น ท่านทั้งหลายก็น้อมที่จะขัดเก่าวตัวเองเป็นเบื้องต้นเหมือนกันต่างปายต่างก็มาทําหน้าที่ในการเป็นพุทธบริษัทเพราะวสิกขาสามกล่าวคือคำการทรําศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้เกิดขึ้นในกระแสขันท่าไดายตนะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าทําให้ศาสนานั้นมันไหลอยู่ในกระแสขันของเรานี้เพราะศาสนาเป็นเชื่อของศิกขาสามเนี่ยนี่ไม่ใช่ศาสนานเนี่ยเนี่ยอยไปเข้าใจผิดเนี่ยอยไปบอกว่าสาลานี่เป็นศาสนา อย่าไปคิดว่าธรรมมาเป็นศาสนาก็าเรื่องอย่าไปคิดว่าจีวรเป็นศาสนาเพราะศาสนาในที่นั้นเป็นชื่อของศิกขาสามสิกขาสามต้องเดินในขันที่นี้ถามว่าถ้าเวลาใดเนี่ยใจของเราเป็นไบการาคาโทสามโมหะตอนนั้นน่ะศาสนาเสื่อมแปลว่าศาสนามันเสื่อมออกจากใจเราแล้วแต่ถ้าเวลาใดนั้นน่ะศีลสมาธิปัญญาไหลในกระแสจิตเจสิกของเราเนะี่ยไหลในกระแสขันความคิดของเราตอนนั้นศาสนากําลังจเจริญ อยา่ากลัวตอนนี้ภาริยะมีทุกชั้นเนี่ยมาว่ า, าศาสนาคือมรรคแปดน่ะไหลในกระแสขันของท่านอย่างยาวไกลลุ่งเลืองมากสว่างสวัยมากมันเสื่อมจากใจเราเท่านั้นแหละฉะนั้นดึงกลับมาเพราะถ้าศีลสิกขาอยู่ในใจเราเจะละกิเลสอย่างหยาบได้ยังไถ้าสมาธิสิกขาอยู่จะละกิเลสแบบกลางๆเป็นต้นปัญญาสิกขาเกิดขึ้นมาจะเป็นปัจจัยการถอนอนุสัยกิเลสจากกมลสันดานเป็นต้นได้ ใช่ไม่ใช่ฉะนั้นพยายามทําตรงเนี้ถ้าเรามีศาสนาแล้วทีนี้เราไปเผยแผ่ศาสนามันได้ใช่ไม่ใช่ถ้าเราไม่มีศาสนาะในกระแสขันท่าและยตนาเราจะเอาอะไรไปเผยแผ่เพื่อจะศาสนาตรงไหนไปเผยแผ่มันไม่ได้หรอกเอาพร ะ, ะไตรปิฎกไปวางไว้เขาอ่านกันไหมอ่านหรือเปล่าสร้างสลาเข้าไว้เขาก็ไม่มาฟังทำหรอกเขาก็ไขกุญแจเข้าไว้มันจะเข้ามาแต่ทีก็คือมาลักของเรานั่นเองใช่ไม่ใช่ มันจขึ้นมาลองดูที่เนี่ยเราไม่ไขประตูไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ปิดประตูาไม้มามลากไปหมดก็คนไม่มีศาสนาจะไม่ใช่ว่ามันเขาตกจากศาสนาแล้วฉะนั้นเราท่านทั้งหลายประชุมศาสนาไว้ในกระแสขันท่าดยตนะให้ศาสนาจเจริญรุ่งเรืองในกระแสขันของแต่ละบุคคลนั่นแหละศาสนาจะได้ไม่เสื่อมจากใจท่านทั้งหลายเขาย้าใจยัง ถ้าศาสนาเนี่ยตอนนี้ยังเป็นโลกีศาสศาสนาอยู่ทํายังไงจะพัฒนาโลกยาศาสนาให้เป็นโลกุตระศาสนาเพื่อกําจัดราคะโทสะโมหะให้ได้อย่างถาวรตอนนั้นจะได้เป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาของพระบรมศาสดาใช่ไหมเป็นผู้ไม่เห็นหน้ามองศาสดาอื่นและอย่างเราเนี่ยเป็นผู้ที่จะต้องคอยเหยนหน้ามองศาสดาอยู่ล่ามไปเขาเรียกว่าภัยประการหนึ่งก็คือนานาศตุอุโลกนันนะภัยภัยในการที่จะต้อง เงันหน้ามองศาสดาบางพบบางชาติแล้วก็ไปประนงมงมือเคารพ บ, บูชาปุรณะกัสปะบางครั้งก็ไปเคารพ บ, บูชามคคุริโคสาละบางทีก็ไปเคารพอชิตาเกสกัมพลบางทีก็ไปสัญชัยเวรพระบุตรบางทีก็ไปปะกุท่ากัจเจยนะบางทีก็ไปนิคนนาตะบุตรเราไปทั่วหมดแล้วถึงบอกว่ามหน้าอเนียจอ น, นาสนะักเราเนี่ย ไม่มั่นคงในศาสดาของตนเลยใช่ไหมถ้าเราเห็นบุคคลอื่นๆน่ะล้วนแต่เคยนับถือพระเจ้ามาก่อนกันทั้งนั้นเนี่ยที่มาปัจจุบันก็ประกาศไม่มีาศาสนาหรือไปเดินาศาสนาอื่นเนี่ยมันถึงบอกเป็นเรื่องเก่าแล้วมาทำกันใหม่เราเคยทํามาอย่างยาวนานไปแล้วบางทีเราไปเห็นคนที่เขาต่างต่างเราเคยเป็นแล้วมีโอกาสจะไปเป็นอีกไหม มีเอาเดี๋ยวนี้สมิเอาทีอย่างเราเนี่ยศรัทธาอย่างเราเราเนี่ยลองไปไปร่วมกับศาสนาอื่นสักไม่เกินห้าสิบครั้งใจก็เริ่มเออเขาก็สอนดีนี่เอาแล้วเข้าท่าเนี่ยเ้าก็สอนคนให้เป็นคนดีเนี่ยออไม่เบียดเบียนกันจิตเป็นสมาธิมีการ แม้เข้าเฝ้าพราะศาสดาของเขาวันละทั้งหากช่างโง่ครั้งของเราแย่เอาละตอนเนี้ยเห็นไหมแม้บางวันมันเสียหีเกินไปเนี่ยเราเจดวันยังไม่ได้สวดมน์เลยเอาละสิตอนเนี้ยมาอย่างนี้สิมั่นคงดีอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่เป็นอย่างนี้ศรัทธาเราเนี่ยมันหลุดง่ายมากบางทีเนี่ยนะเขาบอกโอยศรัทธามาก ทำบุญ ม, มิไม่ทำไมไปไ ม, ไปไม่ไปวัดหนึ่งวันก่อนพระด่าเอาไม่เอาแล้วไม่กลัวมิ <laughs> เสร็จเลยกระทบพระทั้งประเทศไทยเลยเดีย๋ยวนี้ยเจอพระดายองเดียวกันนั้นเลยพระจะไปด่าได้ยังไงใช่ไหมจริงๆก็คือว่าด้วยการที่เราแยกอัฏฐะัญชนะไม่ชัดฉะ น, นั้นในกรณีที่ศรัทธาแล้วเราตั้งไว้ในโสดาท่านแล่นไปในโซดาปฏิมาคโซดาปฏิผลสกาธาคารมิมากเป็นต้นเนี่ย สกาาคามีผลและในส่วนจริงก็แล่นไปในคุณเบื้องสูงดังที่ได้กล่าวนั่นแหละท่านถึงกล่าวบอกว่าศรัทธาเนี่ยเมื่อตั้งมั่นไว้แล้วจะเป็นปในคัมภีร์สังยุทธ์นะท่านบอกว่าศัทธายาตระติโอของังอั ป, ปาเมเดนะอันนาวังวิริเยนะดุกามะเจตีปัญญายาปริสุชะติเขาแปลบอกว่าบุคคลจะข้ามโอคาดได้ด้วยศรัทธา ฉะนั้นการโมฆาพระโมฆาที่โถฆาวิโชฆาเนี่ยบุคคลจะข้ามได้ด้วยศรัทธานะบุคคลจะข้ามได้ด้วยศรัทธาการโมฆาพระโมฆาที่โถฆาวิโชคาเนี่ยคนจะข้ามได้ด้วยศ ร, รัทธ า, ช า, า, าใช่ไหม ถ้ามีศรัทธาเนี่ยเขจะมีความกล้าที่ท่านอุปมาไว้ในลักษณะที่บอกว่าบุรุษคนหนึ่งมีความกล้ามากที่ว่ามีแม่น้ําขวางอยู่ข้างหน้าคนก็ลีลีรอรอไม่กล้าที่จะข้ามแต่บุรุษคนนี้พอไปเห็นน้ําแล้วก็สามารถที่จะว่ายแล้วก็ข้ามไปได้ชันใดศรัทธาก็มีลักษณะในลักษณะอย่างนั้นแหละก็เหมือนกับบุรุษคนนั้นข้ามไปเมื่อบุคคลอื่นเห็นว่าเอ้แม่น้ําเนี่ยข้ามได้ก็ตามก็เลยพากันข้ามน้ํานั่นไปเนี่ย ลักษณะศรัทธาก็จะเป็นไปในลักษณะนี้แล่นไปข้างหน้าไปสู่ขันธ์เบื้องสูงก็คือข้ามโอคัพประการต่อมาก็คืออภิมาเดนะก็หมายความบอกว่าอันรวังก็หมายความอันนบนี่นะคนจะข้านอันนบข้ามแม่น้ําได้ด้วยความไม่ประมาทจะร่วงทุกได้ด้วยความเพียรบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาสรุปแล้วคืออย่างนี้ในพุทธภาสิตเนี้ยหนึ่งศรัทธาสองสติสาวิริยะ สี่ปัญญาพุทธยาสอนอะไรสอนอริยมรกมีองค์แปดสัมมาทิฏฐิสัมมาวยมะสัมมาสติถามว่าองค์มรกทั้งสามเนี่ย<ม>ก็ชื่อว่าก่าวมรคภพแ8ดนั่นแหละแต่ทำไมก่าวศรัทธาเขาไว้ก่าวศรัทธาเป็นปัจใจแก่มรคแปดโดยสรุปก็คือว่ามรคแปดคือศีลสมาธิปัญญา ท่านทั้งหลายทํำยังไงจะให้ศีลสมาธิปัญญาประชุมในกระแสขันท่านต้องศรัทธาในพระพุทธเจ้าท่านต้องมีตถาคตาโพธิศรัทธาจริงๆท่านถึงจะสามารถประชุมสิกขาสามคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังปะคือปัญญาขันสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาชีวะคือศีลขันสัมมาวิมภาัมมาสติสัมมาสมาธิคือสมาธิขันศีลสมาธิปัญญานั้นมีศรัทธาเป็นประทฐาน สรัตนั้นมีการฟังพระสัธรรมเป็นประธานการฟังพระสัธรุมมีการคบสัตว์หลุดเป็นสัพพะธฐานการคบสัตว์รุษคือการอยู่ในถิ่นที่สมควรเป็นประธานการอยู่ในถิ่นที่สมควรมีปุเพกตะปุญญตาเป็นประธานปุเพกตปุญญตามีอัตตะสัมมาปฏิทิธินั่นแหละเป็นประธานเห็นไหมว่าอัตตะสัมมาปฏิทิธิเป็นปัจจัยเกิได้ปุเพกตปุญญตาการปุเพกรตปุญญาตาเป็นปัจจัยเกิดในถิ่นที่สมควรคือถิ่นที่มีคําสอนของพระธรรมคําสอนพระเจ้าแผ่ไปถึง ทีนี้การอยู่ในถิ่นที่สมควรจะพบพระพุทธเจ้าและสาวกของพระพุทธเจ้าเมื่อพบท่านแล้วก็มีโอกาสฟังธรรมฟังธรรมก็เกิดศรัทธาเพราะศรัทธาแล้วก็เป็นปัจจัยการประชุมสิกขาสาวคือทําองค์มรรคแปให้เกิดขึ้นในกระแสะขันาาธนาไดยตนะเนี่ยนี้คือหลักการตรงนี้แต่วิธีเดินเรามีปัญหาเราไม่สามารถเดินสมาธิถีบได้ในชีวิตจริงไม่สามารถเดินสมาวายมสมาสติได้ในชีวิตจริงใช่ไหมเอานี้ยนะอีกประมาณสิบกว่านาทีจะลงไปรับประทานอาหาร การมาฝากให้คิดเออเราจะไปวิจัยยังไงให้สัมมาทิฏฐิเกิดในการเห็นอาหารใช่ั้ยลำดับแรกคิดกรรมมิสกตาสัมมาทิฏฐิเออแสดงว่าเป็นกุศลกรรมของเราท่านทั้งหลายใช่ไหมเป็นกรรมเป็นผลกรรมเก่าที่เราไปนะที่ไหนก็มีคนจัดเก้าอี้ให้ต้อนรับเรา และอีกอย่างไม่พอเป็นผลกุศลกรรมของเราอย่างดีด้วยมีคนต้องมานั่งฟังทำเออนั่งแสดงทำให้เราฟังโอ้โหบุญมากจริงใช่ไหมใช่บุญอีกอย่างหนึ่งก็คือปางทำเสร็จลงไปเมีอาหารให้รับประทานก็อีนี่เป็นบุญเก่าที่เคยทำก็ไว้ฉะนั้นถ้าท่านทั้งหลายถูกต้อนรับแบบไหนท่านก็เคยต้อนรับเข้ามาแบบนั้นแหละใช่ไหมใช่ นี้เป็นผลของบุญเขาเรียกว่าเห็นผลของบุญใช่ไหมและในขณะเดียวกันในขณะที่มาฟังธรรมนี่แหละบางทีก็มีเสียงบาปแทรกเข้ามาด้วยอันนั้นคือผลของบาปด้วยใช่ไหมเราเห็นผลของบุญเห็นผลของบาปอย่างนี้เขาเรียกกรรมสกตาสมาธิฐิเกิดระดับเห็นผลและในขณะเดียวกันที่เรามาฟังธรรมเนี่ยเราใช้กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเกิดขึ้นไหมถามว่ากายกรรมตอนนี้เป็นกุศลไหม หรือเมื่อกี้นั่งหลับก็มีอะเป็นไม่เป็นบางครั้งเป็นบางครั้งไม่เป็นถามว่าบุญกับบาปอันไหนเกิดมากกว่ากันบุญเกิดมากกว่านะสมมุติอย่างว่าสมมุติว่าบุญเกิดมากแต่โดยมากบุญต้องเกิดมากมเพราะปริมาณของกระแส บ, บุญเนี่ยเกิดอย่างยาวเกิดมากกําลังเขาเยอะอันนี้แปลว่าเรามาสร้างหีด เช่นในขนาดเดียวกันเรามารับผลของบุญด้วยและในขณะเดียวกันเราก็มาทํากรรมหรือทำกุศลกรรมด้วยเพราะเรารู้ว่าผลของบุญเนี่ยไม่เที่ยงใช่ไม่ใช่เพราะตัวกรรมคือเหติธรรมก็ไม่เที่ยงเราจึงไม่ประมาทฉะนั้นพอพิจารณาในลักษณะเนี้นะเราเวลาไปกินอาหารแล้วก็โอนี่ผลของบุญทีนี้ในขณะที่เรากินอาหารเนี่ยอันนี้เขาเรียกทำกรรมใหม่นะ เรากินด้วยจิตเป็นกุศลได้ไหมกินด้วยจิตที่เป็นบาปได้ไหมโอ้โหอาหารตัวนี้อร่อยเอาถ้าเกิดอร่อยติดรสในอาหารเป็นอะไรเนี่ยเป็นโลภะเป็นบุญหรือเป็นบาปกินไปหึงขัดเคืองไม่อร่อยเลยเป็นบาปไหมก็เป็นบาปอีกไม่รู้ตามความเป็นจริงก็เป็นบาปอีกสรุปแล้วถ้าเราไม่ได้พิจารณาเห็นไหมว่าก็เป็นบาปอีกนี่รายละเอียดตรงนี้เราต้องจับประเด็นให้ได้ ถ้าระดับสูงไปก็ตัองก็พิจารณาเออเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะต้องคอยดูแลตลอดเนาะถามว่าหนึ่งในานามธาทำเนี่ยเราก็ต้องมาให้อาหารเพื่อจะได้ดึงกระแสขันวิธีคิดก็ตื่นเองออกจากสังสารวัฏให้ได้แม้รูปธรรมเราก็จะต้องมาหยอดอาหารให้โอ้โหการเลี้ยงการดูแลรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่พุทธเจ้าเรียกว่าขันธาะใช่ไม เออือเรามาศึกษาสัมภาระวิบากแล้วต้องการดูว่าวิบากที่พระพุทธเจ้าจะต้องแบกรับในการที่จะต้องนําความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายเข้าไว้ในตนในการที่จะเดินฝ่ฟาฟาันสร้างบารมีสิบอุปบา ร, รมีสิบปรมัตถมารมีสิกว่าจะได้สัมมาสัมโพธิญาากว่าจะมีพระธรรมให้เราได้ฟังเนี่ยโอ้โหยาวไกลมากก็ตรึกระลึล้ถึงคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราในขณะที่เรารับประทานอาหารทานอาหารไปก็มานาสิการให้ใจเป็นใจ ก, กบุญถ้าใครจะมาคุยกับเราเดี๋ยวเดี๋ย บอกขอขอไม่สนทนาได้ไหมต้องการจะระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยว่าโอ้โหเนี่ยหรือต้องการที่จะตรึกในพระธรรมคาสอนของพระบรมศาสด า, ศ า, ศาวันนี้เราจะมาปฏิบัติธรรมเนี่นะก็ตั้งวิธีคิดเป็นไปด้วยจิตพองใสถ้าลองทำอย่างนี้แสดงว่าเราไม่ขาดสติใช่ไหม มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติในการที่จะกาจัดอภิชาคือความยินดีและโทมนัสคือความยินร้ายอันนี้ก็เรียกเจริญสติปัฏฐานในขณะกินอาหารเนะี่ยลองเอาไปทำดูทิอย่าใช้คำว่าลองต้องเอาไปทำดูที่ใช่ไหมต้องอย่างนี้ดีกว่าอันนี้ก็สมควรเกี่เวกับเวลาหนึ่งนะอาจจะสวดมนต์เงี้สันนกนิดหนึ่ง ทานาปารามิสัมปันโนนาอุปาปารามิสัมปันโนทานาปารามทปารามิ สามปันโนเมตตาไมตรีการุณามุ้ทีตาอุเบกขาปารามีสามปันโนอิติปิโสมากว่าสีลาปารามี ปานโนสิระอุปปารามีสามปานโนสิราปรามาธปาสามปานโนเมตตามัตรีการุณา อุเปปปารามิสัมปันโนอิติปิโสมาวาเนคามมาปารามิสัมปันโนเนคามมาอุปปารามิ สัมปันโนเมตตามมะปารามธปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณามมติตาอุเปกขาปารามิ สามปันน้อยิตปโซมากว่าปันยาปารามิโนปันยาอุปปารามิสามปันโน ญาหุปมาตาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตริการุณามู้ติตาขาปารามิสัมปันโนอิติปิโสมะข่าวเริยา ปารามีสามปันโนวิยาอุปปารามิสามปันโนวิริยาปรมาตาปารามิ สามปานโนเมตตาไมตรีการุณามมติตาอุเบกขาพระมีสามปานอิติปโสมัคาวา ขันติปารามิสัมปันโนโอปปารามิสัมปันโนขันติปารามัทธปารามิสัมปันโน ตาไมตรีการุณาโมทิตาอุเปคะรามีสามปานน้อยติปโสมากวอาทิฏานา สัจจุปาปารามิสัมปันโนสัจปารามะทะปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีการุณาโุเปคขาปาลามิ สามปานน้อยติปิสมะคะวาอาทิทานาปารามิสามปานโนอาทิทานนาอุปปารามิ โนอาติตานาปรามตาปารามีสามปันโนตาไมตรีกาลุนหามุทิตาอุเปขาปาลามี นอยติปิโสมคาวเมตตาปารามีปันโนเมตตาอุปปารามีสามปันโนธรรมตาปารามี ปานโนเมตตาไมตรีการุณหามุติตาคาปารามิสัมปันอิติปิโสมาคะวะอุเปขาปาลามิ อุเปคขาอุปาปารามิสัมปันโนขาปารามธาปารามิสัมปันโนเมตตาไมตรีตารุณามุติตาอุเปคขาปา มีสามปันโนติปิโสภควัธาสัปารามิสามปันโนธาสาอุปปารามิโนธาสัปปรามาธปารามิ ปานโนเมตตาไมตริการุณามุทิตาอุเบกขาปามีสามปานโนอิติปิโสมขวติพุทธังสารณาคาชามี ดัมมังสารังข้าจามิสังขังสารังข้าจามินามิห่างสาธุสาธุสาธุ